สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่ยี่สิบเจ็ดนะครับในหัวข้อเรื่องพ ร, ร, พระเยซูเผชิญการทดลองพี่น้องครับนี่เป็นครั้งที่สองนะครับก็คือพระเยซูถูกทดลองด้านชื่อเสียงนะครับเรื่องของการยัดโสนะครับการอวดตัวทั้งหลายรละ the last of pride นะครับ ในมัท ธ, ธิมมั 4, ิวบทที่สี่ข้อที่ห้าถึงข้อที่เจ็ดและในพระธรรมลูกาบทที่สี่ข้อที่สี่ถึงสิบสองนั้นได้บันทึกถึงการทดลองนะครับที่เกิดขึ้นจากมารซาตานมาถึงชีวิตของพระเยซูครั้งที่สองนะครับนำมารซาตานมันนำพระเยซูมายังนครศักดิ์สิทธิ์อันเป็นอีกชื่อหนึ่งของเยรูซาเล็มครับขณะที่มันสามารถนำพระเยซูขึ้นไปอยู่บนยอดหลังคาพระวิหารได้นะครับ มารซาตานทูลพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆแล้วนะครับจงโจรลงไปเถิดเพราะพระกัมพีมีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่านและเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้เมื่อเท้าของท่านกระแทกหินซาตานก็ยกพระสัญญาในสดุดีบทที่91นะครับมากล่าวแล้วก็เป็นจริงนะครับ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมาอารักขาพระเยซูแน่นอนครับแต่มารซาตานนั้นกําลังหลอกล่อหรือทดลองพระเยซูให้พระเยซูกระทําสิ่งที่ไม่เป็นไปตามน้ำมัทธิยหรือพระดําริของพระเจ้าพีาพ่น้องครับเราเห็นนะครับบทเรียนประการแรกและประการที่สองในช่วงนี้ก็คือบทเรียนประการแรกครับมารซาตานนั้นมันเข้าไปอยู่ในโบสถ์ได้นะครับ แม้กระทั่งหลังคาโบสถ์นี้มันก็อยู่ได้ครับหลังคาพระวิหารมันก็นำพระเยซูขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวของเราให้ดีในการที่เราจะไปโบสถ์หรือเข้าโบสถ์นะครับเราจะทำงานอยู่ที่โบสถ์เต็มเวลาไม่เต็มเวลาเรามารับใช้ที่โบสถ์นะครับมารซาตานมันสามารถเข้าไปนะครับในทุกๆ ท, กที่ทุกๆแห่งได้ในเวลานี้นะครับเพราะมันยังไม่ถึงเวลาของมันครับ นั้นเราต้องระมัดระวังให้ดีต้องตื่นตัวให้ได้ให้ได้นะครับประการที่สองก็คือว่าซาตานก็ยกพระกรรมัมภีรนะครับมาคุยกับพระเยซูหลายหลายครั้งนะครับซาตานก็ยกพระกรมัมภีรนะครับมาเป็นข้ออ้างที่เราจะไม่ทําตามน้ําันไทยของพระเจา้าเพราะฉะนั้นความรู้ความเชี่ยวชาญในพระกัมภีนะครับ ของเรานี้จะต้องตกอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และอยู่ในหลักการหลักข้อเชื่อหลักคําสอนที่ถูกต้องด้วยเพราะงะั้นเราจึงถูกสอนนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะตีความพระกัมภีร์ตามใจชอบตาตานั้นมันใช้พระกัมพีได้อย่างคล่องแคล่วนะครับมากกว่าเราเสียอีกพี่น้องครับนั่นเป็นเป้าหมายของเราในอนาคตนะครับอันใกล้และอันไกลนี้คือเราต้องมีความเชี่ยวชาญพระกัมภีครับ เราต้องเริ่มต้นเรียนพระกัมปีแั้แต่งต่อนนี้ในชั้นเรียนวีบรรดาศึกษาของพี่น้องหรือในการสมัครเข้าเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบางเวลานะครับหรือไม่เอาหน่วยกิจหรือนักศึกษาเป็นเวลาในสถาบันพระคิดสำคับและเข้าเรียนชั้นเรียนพระกัมภีร์ที่โบสถ์ของเรานั้นจัดให้เรานะครับอย่างสม่ําเสมอพี่น้องครับพระเยซูไม่เพียงแต่ทราบข้อพระกัมปีนะครับ องค์ก็ยังส่งทราบความหมายของพังผีอยย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับซึ่งเราเองจะต้องเข้าใจพังผีอยย่างครบถ้วนสมบูรณ์บ้าแบบด้วยเช่นเดียวกันและพระองค์นะครับส่งทราบว่าพังผีข้อนี้ไม่ได้มีความหมายว่าเราจะทดลองพระเจ้าได้นะครับพระองค์จะ เราไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะสามารถคาดหวังว่าพระเจ้าจะเข้ามาเกี่ยวข้องหากพระองค์ทําสิ่งที่โง่ๆหรือทําสิ่งที่อยู่นอกเหนือน้ำมัธยของพระเจ้าหรือทําสิ่งที่อยู่นอกแผนการของพระเจ้าเยซูหากพระองค์ทรงกระทําสิ่งที่โง่ๆและนอกน้ำมัธยของพระเจ้านอกแผนการของพระเจ้าดังเช่นการกระโจนลงมาจากพระวิหารพระเยซูก็พ่ายแพ้การทดสอบทดลองของมานครับเพราะฉะนั้นพระเยซูทรงตอบโต ซาตานด้วยเพราะกมปีว่าอย่าทดลองพระเจ้าของท่านอย่าทดลองพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของท่านในเฉลยธรรมยัติบทที่หกข้อสิบหกแน่นอนครับเราจะเห็นว่าพระกัมปีได้เป็นคําตอบนะครับที่จะยันมารซาตานไม่ให้มันทําตามใจของมันที่จะล่อลวงเราทั้งหลายเพียงครับยังมีบทเรียนอีกหลายๆบทนะครับและมีคําถามในที่นี้บอกว่า ทำไมจะต้องเป็นพระวิหารด้วยพี่น้องครับท่านรู้ไหมครับว่าพระวิหารนั้นเป็นที่มานมรสการพระเจ้าของคนยิวและของคนยิวทั่วโลกหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่ยิวที่เขากลับใจมาเป็นยิวนะครับเข้าสู่ศาสนายิวคนเห็นมากมายครับนะครับพระเยซูได้เข้ามาปฎิบัติมวลชนพงต้องการให้คนเห็นใช่ไหมครับมารสาตานก็เลยเชิญวัตถุประสงค์ตรงนี้ เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับจะเห็นคนกระโจนลงมาจากยอดหลังคาพระวิหาร น, นะครับเมื่อเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่นอนครับพระเยซูจะต้องได้รับการนมัสการแน่นอนเพราะว่านี่เป็นนี่เป็นพระมาศีหาตัวจริงมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับทําให้แผนการของพระเจ้าเสียแผนการของพระเจ้าที่มีต่อพระเยซูนะครับน้ํามัไทยของโปรงที่มีต่อชวิตของพระเยซูนั้นไม่ได้เป็นเช่นนี้ มันสตาลมันพยายามที่ให้พระเยซูเข้าแผนมันนะครับไม่อยากให้พระเยซูอยู่ในแผนของพระเจ้านะครับถ้าพระเยซูกระโจนลงมาพระเยซูได้รับการยกย่องทันทีครับแต่พระเยซูจะหมดโอกาสในการช่วยพวกเราซึ่งเป็นคนที่เหลือพระองค์จะไม่สามารถช่วยคนทั้งโลกได้เพราะว่าโอกาสที่พระเยซูจะถูกตึงมันแม่ง เ, เขน็นจบครับนะครับพระเยซูมาในโลกนี้ โรงต้องการช่วยคนทั้งโลกโปร่งส่งรักโลกนะครับและหากพระเยซูกระโจดลงมาและคนก็ยกย่องพระเยซูเป็นพระมาสีห์ปั๊บนะครับสงครามเกิดครับพระเยซูมาไม่ได้ให้เกิดสงครามนะครับแต่พระเยซูเป็นองค์สันติราชครับเป็น Prince of Peace นะครับเพราะฉะนั้นในการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูนั้นโปรงนำสันติภาพสันติสุขมาให้ จะเห็นได้ว่ามาสตาร์นั้นต้องการให้เราทําตามแผนของมันครับโดยแอาความสำเร็จมาล่อครับนะครับการทําตามมาสตาร์นั้นคือการเข้าส่วนกับมันรับคําสั่งของมันนะครับมันเป็นเป้าหมายของมันครับที่มันจะหลอกล่อเรานะครับเมื่อเราทําตามแผนการขั้นต้นของเราแน่นอนครับแผนท่านที่สองจะมาแผนคําสั่งก็ามาเมื่อมีหนึ่งก็งมีสองมีสมต่อไปเมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการเพิ่มขึ้นสานตาร์นั้นนะครับได้คืบเอาศอกในชีวิตของเราตลอดเวลานะครับ เราจะต้องทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ใจของมาร น, นะครับหรือไม่ใช่ตามใจของเรานะครับบางคนบอกว่าตัวฉันนั้นเป็นของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ได้นะครับพูดแบบชาวบ้านนะครับตัวกูของกูนะครับถ้าคิดแบบนี้พูดแบบนี้เสร็จมารนครับนะครับเสร็จมันแน่นอนเราต้องบอกว่าตัวฉันของพระเจ้าตัวฉันไม่ใช่ของฉันครับเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเพิ่มผีตรงนี้นะครับ ได้กล่าวถึงชัดเจนนะครับว่าเมื่อพระเยซูเผชิญกับการทดลองเปเยสูใช้พระกัมภี์โตสอบกับมาอีกครั้งหนึ่งครับในพระธรรมเฉลยธรรมัญญาตบทที่หกข้อสิบหกครับซึ่งสอดคล้องไปด้วยกันได้กับพระัมภีอีกฉบับหนึ่งครับก็คืออพยพบทที่สิบเจข้อหนึ่งถึงข้อที่7ดนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อโมเสสนั้นถูกบ่นนะครับว่าทําไมเอาเราออกจากอียิปต์นะครับพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้นะครับ และกกลับมาดูตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับอาเมน